ขณะคิดสงสงบมันก็อยากหลับเหมือนกันชอบคนคือขณะจิดสงบมันสบายคนนอนคิดเมื่อสงบมันไมสบายคิดโน่นคิดนี้มันไม่มีความสบายมันก็มันอยากหลับพอคิดเริ่มสงบสงบหน่อยมันก็อยากหลับเพื่อได้ความสุขเพิ่มเข้าอีกมีจิตใจมินตั้งทำความสงบมันรู้สึกมัน มันเส้นแต่งหลับเหมือนกันเป็นเบียงละไม่มันหลับอย่างเรานั่งฟังเทศงะรัท่านเทพฟัอองไาเพลินๆให้จิต ม, มันมันจ่ออยู่ในคำเทศของท่านเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วจิตของให้สงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาตอนนั่นชัก ง, ง, ง, ง่วง เพิ่มหลับแต่คนบางคนก็ทำหนิตัวเองเฮ <Okay. S 1> เวลาดูลําพังคนเดียวนี้พูดคุยกับเพื่อนสู ง, นนน ม, สงม่เห็นอยากหลับจยากนอนมีเวลามาฟังเทศมันทำไมมันถึงอยากหลับอยานอนนั่งกับเงกยบเงันมันมานมาจากไหนดีว่ามันจะมานอะไรมันไม่เคยรับความสู่ความสบายพอได้รับ กระแสของทำกล่องให้มีความสงบสุวานมัก็อยากหลับนะมัมีมารมาความจินเจ้าของเป็นมารก่อผนของทั้งวันทั้งคืนไม่รับความสะดวกสบายจนกระทั่งจิตหลับไม่ได้สงบไม่ได้เราไม่สร้างว่าเป็นมารพอเราฟังทำในขณะที่ท่านแสดงจิตมีความสงบในขณะนั้นนี้อยากหลับเราก็ว่ามเป็นมาร ความคิมันไม่จะมาสบายก็จะหลับทุกคนมีเ ห, หมายถึงขั้นหนึ่งขั้นที่จะพอจิตให้สบา ย, บายจะมาได้อย่างหลับมีแมายถึงขั้นการอบรมร่ว ม, มแรก ข, ข อ, อ, กรองการอบรมถ้าจิตมีหลักฐาแนแห่งความสงบ และมีงานทาในขนาที่คามเทศตามฐานะหรือตามขั้นภูมิของจิตแล้วจะไม่ง่วงเป็นกานสมาธิก็จะเพินไปตามสมาธิเลยขั้นของบัญญาเขาเพินไปตามเวลาขั้นแสดงใจของเราจะคล้อยไปตามคล้อยไปตามก็ทำให้เพืิดเพลิ น, นอาจจะทำ เหมือนอย่างท่านช่วยบุกเบิกให้เราก็ก้าวตามหลังท่านไปเรื่อยๆหมาถึงขั้นวิปัสสนาได้แก่การไกลรทองติดเข้าพื้นไปต่างๆนั่นเขาให้มีความความงกง่วงติกล่าวถึงความงงง่ว ง, งนี้หมายถึงเรื่องของการปฏิบัติห <c oughs> รือกิจของเราทำยอย่างไมอย่างหนึ่งถือความสงหบ พอจิเจตเริ่มสงบกินเฉยให้อยากหลับจากนอนเพราะเป็นความสบายการทดสอบนิการพกสูตรเรื่องศาสนาแต่เฉพาอะอยางยิ่งคือพุทธศาสนาเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าควรจะทดสอบกับใจของตนเอง ท่านสอนอย่างไรแล้วให้ให้นำวิธีของท่านไปปฏิบัติหรือน้อมวิธทีที่ท่านสอนนั้นเข้ามาปฏิบัติตนับใจเราเองยือปฏิบัติต่อใจของเรา ใ, ใจของเราดำเนินไปตามแนวทางที่ท่านสั่งสอนไว้นั้นผลจะปรากฏเป็นอย่างไรเราจะทราบเองเป็นลำดับมีเป็นการ พ่สูจน์เรื่องศาสนาธรรมกับใจของเราเองว่าอันใดจะเป็นของจริงอะไรจะเป็นของปลอมเราจะทราบได้โดยลำดับลองเรส่วนมากก็เราจะมาทราบแล้วว่าเป็นของปลอมปลอมมาตั้งแต่ดังแต่เดิมปลอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราไม่ทราบขณะที่เราไม่ทราบนั้นเราเข้าใจว่าเราดีเราเข้าใจว่าเราฉลาด ฉลาดกว่าโอวา่าฉลาดกว่าคําสอนฉลาดกว่าศาสนาฉลาดกว่าพระพุธเทธเจ้าฉลาดกว่าศาสดาองค์ใดๆที่นําศาสนามาสอนพวกเรามีเป็นความสําคัญตนทั้งๆ ท, ที่เวลานั่นกําลั ง, งโง่เต็มที่ของเราเรากำลั ง, งโง่เต็มที่จึงทําให้สําคัญตนว่าฉลาดเต็มภูมิ <c oughs> เมื่อเราได้นําหลักศาสนา เข้ามาประพฤติปฏิบัติเป็นการทดสอบดูว่าอันไหนจะคินเพียงไรซ้อมแค่ไหนนั่นเราจะทราบได้โ ด, ว ย, ดวยวิธีการปฏิบัติตามหลักธรรมธรรที่ท่านสอนหรือบางต้นเรายังไม่สามารถก็เอาเพียงย่อๆก่อนหรือเอาวิธีสั้นๆง่ายๆดังที่ท่านสอนไว้ว่าให้ภาวนาไะ กำหนดอย่างไรที่เรียกว่าภาวนาตามหลักที่าศาสนาท่านสอนไว้มีบาวิธีต่างๆกันตามแต่ความถนัดของผู้จะปฏิบัติให้รับความสงบเย็นใจอันเป็นผลขึ้นมาจากการปฏิบัติเช่นกำหนดอนาปานัสติ กำ ห, หนดลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้จึกลมที่สัมผัสเข้าออกอยู่โดยสม่ำเสมอไม่พลั้งเผลอจิตไม่ปล่อยจิตให้สรงสรงไปที่อื่นทำความเข้าใจทำความรู้อยู่กับลมเท่านั้นมีเป็นวิธีหนึ่งที่จะทราบเรื่อง ความจริงความปลองของใจตนเองเมื่อใจสงบเข้ามาก็จะเห็นความปลองของตนด้วยจะเห็นความจริงของตนด้วยในขณะเดียวกันเห็นโทษทั้งความฟุ้งซ่านของใจก่อควรตนเองให้รับความทุกข์ด้วยเห็นคุณทั้งความสงบเย็นใจอันเป็นสุตแก่ตนในขณะที่ใจสงบด้วยมีแต่นัน้นว่าเห็นทั้งโทษทั้งคุณไปในขณะเดียวกันสาหรับพูด ตั้งใจปฏิบัติจริงๆจะเห็นอย่างนี้มีเป็นเพียงวิธีหนึ่งในบรรดาวิธีทั้งหลายที่จะทดสอบดูเรื่องของจิตให้เห็นผลขึ้นมาโดยลำดับจากการปฏิบัติเหมนท่านบอกว่าให้มีสติ มีสัมผัสชงยะทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอนี่ก็คือการระมรัดระวังจิให้รู้อยู่ในวงให้มีขอบเขตเป็นที่รู้ไม่รู้แบบเรเดเปิดเพิมที่ไม่มีเฉิดมีแดนตามความรู้สึกทั้งหลายที่เป็นไปอยูททั่วโลกความรู้ความเห็นชนิดนั้นไม่เป็นความรู้ความเห็นที่จะเข้าสู่ระดับแห่งความสุขความสบายทห้งเห็นเหตุเห็ผลได้ ท่นจึงต้องมีวงจำกัดในการปฏิบัติต่อจิตใจโดยถือหลักธรรมหรือหลักศาสนาเป็นเส้นทางเดินของจิตหรือเป็นเส้นทางเดินเพื่อจิตจะได้ดำเนินตามวิถีนั้นๆซึ่งหลักศาสนาสอนไว้ถ้ากำหนดบริกรรมคำใดคำหนึ่ง ก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆถ้าจะเผลอคิดไปแง่แง่อื่นก็ให้ทําความเข้าใจหรืออุบายวิธีฝึกตนเข้าไปให้มันทันกับความค้งเผลอนั้นๆเช่นบริกรรมให้ถีเข้าไปอย่างนี้อุบายใดก็าตามวิธีใดก็าตามที่จะทําใจของเราให้ได้รับผลคือความสงบเปลี่นใจให้ได้ อุบายต่างๆขึ้นมาหายใจนี้จับว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องในการสุดผลอกลมตนเองถ้าจิตได้สงบลงไปมากน้อยความกังวลวุ่นวายการสถานที่ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่ความรู้อยู่อันเดียว เพียงทอนนี้ก็เป็นตกวนั่งนานหรือไม่นานไม่มีอะไรมารบกวนนั่งอยู่ในที่เช่นไรเรียกสถานที่นั่งเป็นเวลานานเท่าไหร่มี่เรียกว่าการเวลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับสิ่ที่ไม่ยุ่งหออกไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มีธรรมเป็นอารมณ์ของใจมีความสงบ อ, อ, อยู่โดยลาําพังรู้ตัวอยู่โ ด, ย, ดยจัก อยู่เฉพ่อหน้านี้เรียกว่าความรู้ในหลักของการทนมาหรือความรู้ในการรักษาจิตมีขอบเ็ตเป็นที่รู้ที่เห็นมีวิธีดาเนินเบื้องต้นจะปฏิบัน ต, นติไปนานเียงไงรก็ตาม วิธีที่เราเคยดำเนินวิธีที่เคยปฏิบัติมาไม่ควรล้นละปล่อยวางควรยึดยึดหลักนั้นไว้เช่นเราเคยกำหนดอนาปาม น, นะครับรก็ยึดลมนั้นเป็นหลักขณะเริ่มตน้น แต่ความจนานาญของจิต ท, ที่เคยทําไปอยู่โดยสม่ําเสมอและลงอยู่บ่อยสงบไปบว่ยนั้นจะมีความรวดเร็วต่างกันอยู่มากเพียงกําหนดลมนั้นชั่วขนาดเดียวก็ผ่านไปผ่านไปละเอียดหายเงียบไปเลยไม่ทราบบอลลมไปไหนนี่หมายถึงความคล่องแคล่วของจิตเหมือนอย่างเราเขียนหนังสือแต่เขียนเป็นภาษาไทยก็เส้นท่ า, นางนีง้ตทอตร ะ, ะอา นอไม่เอ่ยผู้ผูู้ึกหั ด, ด, ดเขียนจะต้องระลึกถึงตัวหนึ่งแล้วระลึกถึงตัวหนึ่งจนกว่าจะระลึกถึงทุกตัวแล้วเขียนลงไปครบแล้วอ่านถ้าผู้ชำนาญแล้วเพียงว่าท่านคำเดียวเท่านั้นมันพร้อมไปหมดตั้งสนับพยัญชนะ ความทำนานของจิตจะเป็นสมรรถที่ก็ตามจะเป็นปัญญาก็ตามก็ ม, มีลักษณะนั้นทางที่ท่านว่าฌานฌานสีผมฌานบุาานติฌานสติฌานสตุทธฌานนีรียปร่ารูปฌานอากาสายัญ จ, จายัญญานะวิญญาณัญจานะอาจินปัญญาช น, นะเมธัญญาณะปัญญาลักะมีท่านเรียกว่าอรูปฌาน รวมวเรียกสมมาบัตแตกสัญญาเวทันตานิโรธดับสัญญาเวทนาและเวทนานังอันนี้มีท่านเรียกว่าสมาบัตสมาบัตนี้เป็นธรรมตรีย่อหรือเกี่ยวข้องกับนิสัยวาสนาของผู้จะควรเป็นไปเขาเป็นไปเองไม่ใช่เป็นธรรมจาเป็นสําหรับ ในมรรคในผลที่จะถอดถอนเกลียดถึงขั้นภูมิแห่งความมือสุดของใจเช่นพระหัต์แต่จะอย่างไรก็ตามถ้าผู้ทำนานในฌานก็เป็นลนักษณะเช่นเดียวกับผู้ทำนานในการเขียนหนังสือเพียงว่าปรมฌานวิทยาฌานนั้นนะเข้ากันหมดทีเดียววิ่งถึงกันหมดเพราะความรวดเร็ว อาการของจิตเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปโดยลาดับลำหนึ่งไม่ใช่จะก้าวขึ้นไปเหมือนอย่างเราก้าวขึ้นบันไดาจากขั้นนี้ก้าวขึ้นขั้นนั้นก้าวจากขันนันถึงขั้นนั้นถึงจะทํานานเท่าไหร่ก็ต้องก้าวไปอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นความทํานานของจิตนี้เปลี่ยนอาการเพียงขณะเดียวทนั้นก็ถึงไหนรวดเร็วที่สุดไม่มีอันไดที่จะมีความรวดเร็วยิ่งกว่าใจใจนี้รวดเร็วที่สุด ยิ่งมีความชานาญในหน้าที่ของตนด้วยแล้วเขยิง่งรวดเร็วยิย่งสมาธิก็เหมือนกันนั่งอยู่เฉยอย่างนี้เราไม่จําเป็นต้องหาคําบริกรรมใดมากําหนดมาเป็นเครื่องบังคับผูกมัดจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเมื่อใจได้มีความสงบด้วยความชำนิชำนาญของตนอยู่แล้ว เพียงกำหนดเท่านั้นก็สงบลงไปเลยทีเดียวชั่วขณะครึ่งวินาทีเท่านั้นก็ไปอย่างราบไม่มีอะไรเหลือแล้วถึงฐานของสมาธิแล้วนี่หมายถึงผู้มีความชำนาญในสมาธิเพียงกําหนดขนาดเดียวเท่านั้นทะลุไปเลยเหมือนกับเราเสียหนังสือว่าท่านเนี่ยมาพร้อมกันหมดอ่านได้ความทีเดียว ฝูกถึงสมาธิเป็นขั้นๆเมื่อมีความทำนานได้เป็นยางไงแต่กรุณาอย่าอย่าไปยึดมาทานานหรือไม่ทานานมันเป็นความคานหมาที่ออกไปจากตัวซึ่งเรียกว่าออกไปจากความจริงจะไม่ปรากฏผลเท่าที่ควรจะทานานหรือไม่ทานานก็ตามให้เราฝึกอยู่ในความ ที่เคยฝึกอยู่ในหน้าที่ที่เคยทํามีเป็นหลักสําคัญเหมือนอย่างเราเขียนหนังสือเขียนอยู่ตัวเดีย ว, วนั่นแหละไม่ต้องประคาดตัวนั้นคาดตัวนี้ต่อไปมัอก็ชำนานเองวิธีการจิตใจก็เป็นเช่นนห้นมันทชำนาขึ้นในตัวของเราเองปัญญาปัญญาคือความแยกภายของจิตความคิดความปรุงความ ตรรองในเหตุผลแง่อดแง่ธรรมต่างๆท่านเรียกว่าปัญญาการสอบส่องการตรวตรองนี่ปัญญาเป็นพิจารณาลุ่มทาบลุ่งขันความแปรสภาพทั้งภายนอกภายในยเป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นไปอยู่ทุกแห่งทุกผลภาพภูมิสติปัญญากำหนดไปที่ไหนจะเห็น ทำเหล่านั้นจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหินรับปัญญาดูโดยสม่ำเสมอไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินด น, ด น, นั่งนอนจะเห็นสภาพทั้งหลายเหล่านั้นแสดงอาการให้เราชาตทางปัญญาอยู่ทุกระยะระยะเหมือนกับว่าเป็นหินรับของปัญญาอยู่ตลอดเวลาธรรมจึงมีอยู่ทั่วไปไม่ใช่จะมีอยู่เฉพาะตัวของเรา ไม่ใช่จะมีอยู่เฉพาะเวลานั่งภาวนาเฉพาะเวลาเดินจงกรมมีอยู่ทุกเวลาถ้าจะทำให้มีและมีอยู่ทุกอิเดยาบกเยื่อความชำนิํานานของของสมาธิของสติของปัญญาก็เป็นในทํานองเดียวกันนังที่กล่าวมาแล้วแต่จะไม่อธิบายมาก เพราะจะฟั่นเฟือมากไปเรื่องปัญญานี่กว้างขวางมากพิสดานมากทิดให้เหมาะจริงจรก็ควรจะอธิบายให้ฟังเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นในปัญญาขั้นนั้นๆนั่นเป็นที่เหมาะที่สุดนอกจากนั้นก็อธิบายพอเป็นบาทเป็นทาง คือเป็นแนวทางให้ผู้ที่เรียนศึกษาได้พิจิตริแกนาดังที่อธิบายผ่านมาแล้วนี้จิตของเราเป็นสิ่งที่ฝึกขาดได้อาการของจิตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยลำดับเปลี่ยนแปลงจากความอยากเข้าสู่ความละเอียดได้และเปลี่ยนแปลงจากความละเอียดลงสู่ความอยากก็ได้ตามแต่เรา ผู้เป็นเจ้าของจะพาดําเนินไปในทางใดเนี่ยนะเช้มเรามาอบรมศีลธรรมึกทัดสมาธิพอ เ, าเอานาหยันี้เป็นการึกทัดอบรมจิตใจให้ของเราให้ขึ้นถูงระดับงสูงพาพูดถึงกระแสของจิตก็คิดในเหตุในผลในแะง่ดีเนีแง่ร้ายทั้งหลายอันเป็นทางที่เราจะพึงบำเพ็ญให้มีขึ้นและเป็นสิ่งที่เราจะ ถอดถอนออกจากตัวของลับคือมีทั้งส่วนที่ควรละที่เห็นว่าไม่ดีมีทั้งส่วนที่ควรบำเพ็ญที่เห็นว่าดีแล้วให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญหรืออบรมจิตให้มีระดับความรู้ความเห็นมีเหตุมีผลสูงขึ้นไปขึ้นไปเป็นลาดับลำดับถ้าจิตเติม ก็เปลี่ยนความรู้ความเห็นมัไปเรื่อยๆถ้าจิตถึงความบริสุทธิ์หมดจดเต็มที่แล้วความเสื่อมก็ไม่ปรากฏความเจริญก็ให้มีเพราะอาการที่แค่เกิดความเสื่อมและความเจริญนั้นได้หมดสิ้นไปจากใจแล้ว เหนือจะพาเมยจุดล้วนๆหรือว่าทำทั้งแท่งก็ถูกใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันก็ถูกแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงธรรเดียกัุวุติทางประมัิใจอย่างกับอุากันยางณปรังอิตติตายาติปัญญาเป็นผู้เส้น สิ้นสุดในการประพฤติทศธมจมกั์เพื่อทำขั้นสูงเสร็จจิตในการละที่เหลืทุกประเภทและในการบำเพำ็ญธรรมภายในใจให้สูงขึ้นโดยเป็นลำดับหมดทั้งการละการบำเพ็ญทั้งสองประเภทนี้แลวคือจะละอะไรอีกก็ไม่มีอันละเพราะละหมดแล้ว จะทำอะไรให้เจริญขึ้นไปอีกกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะได้เจริญจนสุดขีดแล้วกระตังกระนีอย่างคือจิตที่ควรทำได้แก่การละและการอเพนนี้ได้ทำให้สมบูรณ์เต็มที่แล้วเหตประเภทนี้ไม่มีไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอดีตอนาคตมาบัดนี้เป็นอย่างนี้ ต่อไปจะเป็นอย่างไรดีอย่างนี้ไม่มีชาตินี้เป็นอย่างนี้ชาติหน้าจะเป็นอย่างนั้นไม่มีเพราะอาดีตอ น, นาคตรวมเข้าสู่ความเป็นปัจจุบันอันเดียวมาบรวมติอยู่กับใจอันเดียวนี้แล้วอดีตอ น, นาคตซึ่งเกี่ยวข้องประกับใจที่จะผึ่งสำคัญมันหมายนั้นจึงไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้น เพราะใจปรับเสจากความหมายสิ่งมันนั่งอย่างนี้ที่กล่าวมาทั้งนี้กล่าวด้วยหลักปฏิบัติอันเป็นผลของการปฏิบัติธรรมมีหลักพุทธศาสนาเป็นทางเดิอนอันถูกต้องตายตัวเป็นที่แน่ใจได้สําหรับชาวพุทธไม่มีทางสงสัยว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี้มีแน่ใดบ้าง ที่จะทำโลกให้ให้ล่มจบจะทำเราให้ผิดหวังให้เชื่อถือไม่ได้มีตรงไหนบ้างในบรรดาธรรมแปดมึ่งกี่พันระธรรมอาคารนี้ไม่มีเลยจึงหมดปัญหามีแต่ว่าเราจะรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรบ้างที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียบตัวขาตธรรม ที่ตราบัไว้ชอบแล้วให้เป็นวิยานนิจธรรมคือ น, นำตนผู้ปฏิบัติถูกต้องแม่นยำให้พ้นจากอุปสรรคความสิดขวางภ า, ายในจิตใจไปโดยลําดับจนทะลุ ป, ปูโร่งถึงมิมุตดุดพ้นโดยทิ้งเฉยไม่มีสิ่งใดเหลือหลออยู่ภายในใจมันเป็นผลสุดยอดจากการปฏิบัติธรรมใจกับศาสนาก็เป็นอันเดียวกันได้ าศาสนากับใจก็หาทางต้องสิ่กันไม่ลงใจก็จินศาสนาก็แท้ต่างอันต่างแท้ต่างอันต่างจิงนี่แหละที่อุ้ติจารชนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราวตถาคตจึงหมายถึงทำดวงนี้ตถ า, าคตไม่ใช่รูปร่างอันนี้รูปร่างนั้นเป็นตถ า, าคตประเภทหนึ่งเช่นเรือนร่างของพระพุทธเจ้า ซึงมีเหมือนกับพวกเราทั้งหลายร่างกายเนี่ยเป็นเรือนร่างของพุทธะอนิเจจ์ได้เห็นพระพุทธเจ้าได้กราบไหวบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจก็เชื่อเราได้เห็นะถาคตทานตาก็จับว่าเห็นะถาคตประเภทหนึ่งหรือในทางหนึ่งพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเชื่อความเมตตาใจก็ดชื่อว่าถึงธรรมถึงพระพุทธเจ้า อีกแง่หนึ่งผู้สำเร็จโสดาสกิทานาคาเป็นขั้นขั้นขึ้ น, นไปก็ชื่อว่าได้เห็นตถาคตในธรรมทั้งหลายเป็นขั้นขั้นเยถึงมิมุติหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงคือบรรลุถึงขั้นพระอรหันต์พระราหารัส คือว่าเป็นพูดถึงประสาคพดโดยมตมบูรณ์ประสาขพแท้คือความบริสุทธิ์แห่งธรรมความบริสุทแห่งใจธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันหาทางแยกทางแยกกันไม่น่าใจอยู่ที่ใดธรรมอยู่ที่นั้นธรรมอยู่ที่ใดปถาคตอยู่ที่นั้นจึงเรียกว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคเห็นอย่างนี้เห็นทางภาคปฏิบัติเห็นอย่างนี้ เ, น เ, นนเราจรึงไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วได้สองพันห้าร้อยปีหรือห้าร้อยสิบเจ็ปีหรือจะห้าร้อกี่ปีไปอีกกว่าทางเราไม่สงสัยอั น, นั้นท่านแสดงไว้ตามการตามสถานที่ ตัวเป็นขูหมายป้าทางหรือให้ทราบการสถานที่ของท่านเป็นประเภทอันหนึ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้เคารพร้วนใสท่านได้กล่าวว่าสักการบูชาตามการสถานที่วันเวลาส่วนตถาคตแท้นั้นคือความบริสุทธิแห่งใจล้วนๆหรือพูดถึงพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อความร้วนใส่ ภายในจิตใจอยู่สถานที่ใดก็ได้เท่าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อยู่ในสถานที่นั้นนี่เป็นธรรมที่สนิทแนบอยู่กับตัวของเราทุกธกรรมกรุณ า, นานันก็คือกรุณาประพฤติปฏิบัติหลักธรรมเหล่านี้ให้เจริญขึ้นภายในใจชื่อว่าเราไม่ได้กลับไปจากสาวตะดาดูในสถานที่ใดก็เท่าทกับได้เท่าสาวตะดาพระธรรมก็สงอยู่ในสถานที่นั้นจงกระทั่งใน เข้าถึงมิมุติลูกค้นภายในจิตใจก็ทราบช่านพระสาสดาคือพระองค์ใดแน่โดยไม่ต้องสงสัยข อ, อยุดติตรงตอนนี้ต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายวันนี้น่ากลัวจะจําไม่ได้อธิบายเลยเฉลิด เ, เปิดเปิงได้ดีมากนะเอาคไหนที่เข้าใจก่อ็ทิ้งไปฟัง